เกื้อหนุนกับลบโตมุ่งสงเจริญผลาอดโยมสาธุชนทุกทุกทนันนี้หลวงพ่อเป็นผู้พูดแสดงธรรมตามทั้งหลายเป็นผู้ฟังมีผู้ฟังมีผู้พูดในเรื่องธรรมะเพาะว่าธรรมะนี่คือ เป็นกลางๆถ้ามีการกระทเกิดขึ้นจึงแบ่งกันถ้ามีสติเรียกว่ามีธรรมเป็นปล่อยกุศลถ้ามีความหลงก็เป็นธรรมปล่อยอกุศลเป็นผิดเป็นถูกเป็นสุขเป็นทุกข์ไป ชีวิตเรายังเลือกทําทันที่มันถูกต้องสิ่งไหนไม่ถูกต้องก็ไม่ต้องทํามันเลือกได้ทีนี้สิ่งที่ไม่ถูกต้องมันเกิดขึ้นเมื่อเราทําำนำมาติดตัวเราแล้วก็แย้ไขตรงนั้นทางนั่นก็พอใช้ได้แต่ไม่ดีมาก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 เมื่ออยู่วัดนี่มันดีคิดว่าจะไปสู้กับโลกได้เมื่อออกไปแล้วก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยเป็น ค, ความชั่วความทุกข์เกิดขึ้นไปบ่อยเมื่อมันมีความทั่วความทุกข์เกิดขึ้นจึงค่อยแก้ไขอันนั่นก็เงื่นหาเช่าจินค่ำ หาวันนี้ใช้กินวันนี้ถ้าจะเป็นคนอาชีพมีฐานะก็ยังจนอยูไ่ไม่เป็นผู้มีที่จะกินแต่หาเราจึงค่อยจะกินหาอยู่หากินไม่ใช่มีอยู่มีกินถ้าเป็นทรัพย์เราจึงต้องทำให้มันมีซะจะไม่จนในความ ไม่ทุกเราไปจนตกความทุกข์ความหลง เ, เรียกว่าจนอยู่คนในโลกนี่แบ่งหาต่างๆกันไปแต่ถ้าพูดถึงาการปฏิบัติแล้วไม่ต้องเะแบ่งหาที่ใดดูกับเราแท้ๆเกิดจากการกระทำการกระทำมันทำที่ไหนที่กายที่ใจเรา เราอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ตรงนี้แล้วอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ด้วยกับเราไม่ต้องไปแสวงหาในที่ใดการทำบุญก็ดีการทำ ก, กรรมผิดก็ดีการทำกรรมถูกก็ดีมันเกิดจากการกระทำของเราเราจะแสวงหารตรงไหนกันลวพ่อก็ไปประเทศอินเดีย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 เทพเจ้าต่างๆตะบวนก็ทํำนอกกายไปหมดเลยตะบูดอุนตมบูดหนุทิศให้พ่อให้แม่ก็ซื้ออาหารไปให้ปลากินพรพ่อแม่แลำหายตายไปเอาไปอังคารลอยอังคารในน้ําเจ้าพระยาคงขาที่ว่าในาน้ำคงขาเป็นที่เกิดของเทพเจ้าถ้าอะไรตกไปอยู่ที่นั่นก็ถือว่า บาปก็กลายเป็นบุญวิธีทำบุญหาบรนปูหลุดของเขาซื้ออาหารไปให้ปลาปลาก็าเจริญ น, น้ำบางทีประชาชนคนเขาเวลาจะไปไหนตื่นแต่เช้าไปปลูกพระเจ้าคือไปลงหาบน้ำอยู่ในแม่น้ำของขาไปล้างหน้าไปดื่มน้ำของขาเพื่อไปปลูกพระเจ้าคือน้ำให ติดตัวเราไปไปเรื่อยกันตลอดวันกลับมาตอนเดินมาอาบอีกมาล่างบาปไปนอนเวลานอนไม่ได้ทำบาปเวลาตื่นขึ้นมาก็ไปปลกกพระเจ้าคือแม่น้ำคงคาร า, าบน้ำเพื่อพระเจ้าติดตัวไปเป็นวันวันทุกวันไปานนนการนอนวอรการกระทาพิธีต่างๆ เทพเจ้าบม่ลูยจะเอาองไหนมากมายเหลือเกินใครเชื่ออะไรก็สร้างขึ้นทำเป็นลูกเอาไปไหว้ไหนแม่น้าคงคาหาอยู่ในน้าคงคาวางเป็นก้อนปูนก้อนอิดก้อนเห็นไว้ดีก็ทำเป็นลูกหลายๆลูกก็มีแล้วก็ เราว่าเขาได้บุญเขาก็ว่าเขาทําถูกต้องถ้าจะเราอยู่ที่นี่เราไม่มีแม่น้นํำคงคาเราจะละบาปได้ไหมเราจะทํำมือได้ไหมต้องไปประเทศอเดียต้องไปอาบแม่น้ําคงคามคนาันก็ไม่จําเป็นไม่เป็นสากลไม่เป็นศัจธรรมถ้าความดีความชั่วอยู่นอกตัวไปมันก็ทำไม่ได้ มันต้องอยู่ในเราแท้ๆล่ะพระพุทธเจ้ายัางสอนเรื่องกรรมฐานเนี่ยน่ารักที่สุดเลยกรรมฐานเนี่ยกรรมคือการกระ ท, ทาฐานคือที่ตั้งอยู่ตั้งไว้ที่ไหนทาที่ตรงไหนตั้งไว้ที่กายที่ใจเราเนี่ยเอาสติมาตั้งไว้ที่กายมันก็มีอยู่กายสติก็มีอยู่ มีการภาวนาภาวนาคือขยันรู้ให้มันรู้มากรู้โอากกายมันเป็นวัสดุบุกกรให้มันเกิดความรู้ที่กายดูกายอย่างเดียวมันเห็นหลายอย่างเห็นความสุขเห็นความทุกข์เห็นความหลงเห็นความผิดเห็นความถูกทางกายก็มีทางใจก็มีอะไรที่มันเกิดขึ้นตามชื่อต่างๆตามสมมติต่างๆ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 ความยาวออกไปสัมผัสก็ไปแค่ตรงนั้นก็พอได้สัพพชาเวทนาแค่สัมผัสจักแต่ว่าก็พอได้อยู่เห็นอะไรก็ไปทำเฉยนั้นไม่ต้องทำได้ไหมให้มันเ็ดไปซะรู้แล้วเข่านี้ก็พอมันสุกก็รู้แล้วมันโท ก, ก็รู้แล้ว มันพอใจก็รู้แล้วมันไม่พอใจก็รู้แล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ไปทำอะไรมันก็ง่ายๆแต่เราก็ทำยากเพราะทำไม่ถูกขั้นตอนอาทีก็ต้องไปอดเวลามันโกรธเวลามันทุกข์ไปอดไปทนต้องหลบต้องหลีกต้องละต้องเว้นไม่เห็นเฉลยเป็นการดี นีไปหลับหูหลับตาไม่เมื่อจาเป็นต้องเห็นไม่พูดเฉยเลยเป็นการดีก็ไปแช่แบบนั้นเมื่อจาเป็นต้องพูดก็พูดแบบมีสติเป็นการดีแล้วก็มีแต่การบ้านถ้าเราทาให้ไปเจรจาแล้นก็เพียงแิดรู้แล้วรู้แล้วมันมีอะไรที่จะไม่รู้ สิ่งที่มันรู้อย่างนี้เรียกว่าปัญญามันรู้จากกองสากขันที่ตั้งอยู่ในกายมันตั้งอยู่ในใจของเรารู้หมดรู้ครบรู้ท้ววจะทำมันจบลงมันจบเป็นรวมทุกข์ก็จบเป็นรวมสุขก็จบเป็นควมอะไรต่างๆปัญหาอะไรต่างๆมันจบเป็น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 มันอยู่กับการกระทํามันก็ยังไม่เอาจะเอาฝ้ายผูกแขนให้ได้บางคนก็ขอหน้ามนขอลดหน้ามนบางคนก็ทำอะไรต่างๆที่ให้เป็นวัตถุทั้งๆ ท, งที่วัตถุเหล่านั้นมันไม่ช่วยเราได้ก็บอกว่าฝ้าผูกแขนเนี่ยลาฝ้าผูกแขนอยู่กับเธอเธอก็ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องโกรธไม่ต้องหลง ถ้าโกรธที่ใดกับฝ่ายผูกแขนที่ตอนนี้ก็พอได้โกรธไม่ได้นะทุกข์ไม่ได้ทำชั่วไม่ได้นะฝ่ายผูกแขนถ้าทำชั่วอยู่ไม่ผูกให้นะถ้ายังทุกข์อยู่ไม่ผูกให้ต้องหมดในตัวนี้ลู้เดี๋ยว น, ยวนี้มันก็อยากทำให้เป็นยังทำผิดทำชั่วอยู่ยังทุกข์อยู่ขับรถขับเรือก็ยังไม่มีสติ เราจึงไม่ควรยากอย่างนั้นมันง่ายๆการปฏิบัติธรรมเราจะึงหัดตัวเราถ้าไม่หัดมันไม่เป็นไม่ใช่ไปเรียนให้ควรเกิดความรู้มาทําให้มันเป็นถ้ามันเป็นแล้วมันไม่ลืมมันเห็นมันรู้มันเห็นนั้นพบมันเห็นอะไรที่มันเกิดก็เกับปากกับใจเห็นหมด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 ใครสอนอะไรให้ไปพึ่งอันอื่นให้ฟังหู ว, ว้หูก่อนต้องทำให้เกิดขึ้นจากตัวเราไม่ใช่ปฏิเสธอะไรทั้งหมดมันมีไปเสียไม่ได้กายมันก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นไปก็มีเรารู้มันจบแล้วถ้าไปอาศัยอื่น อเดดมาช่วยเราถือว่ายังไม่ใช่สัจธรรมเป็นสมมติบัญญัติอยู่สมมติบัญญัตินี่พอใช้ได้แต่ไม่ดีมากนั้นเราเขียนคัดลายมือไปตรวจวุทยานบอกว่าพอใช้ได้เพราะว่ายังไม่สวยถ้าเราคัดแต้มันสวยขึ้นดีมากดีที่สุด ถ้าเป็นนักธรรมแต่ไม่ก่อนเป็นสำเนินถ้าตอบปัญหาที่อาจารย์เขียนาให้ตอบเป็นปัญหาเราตอบให้หอเดียวเรียกว่ายังไม่ดีแต่ให้สามหอเรียกว่าดีมากการปฏิบัติธรรม ให้มันถึงกับยกมือไหว้ตัวเองได้ถ้าไหว้ตัวเองได้ก็ไหว้คนอื่นได้ง่ายได้เคารมทุกอย่างเคารพคนชั่วเคารพคนดีรู้จักหลบรู้จักดีการเคารพไม่ใช่รังเกียดการไปเสียดไม่ใช่หลังเกียด เ, เ, เ, เราคารพเราไม่ทําเหมือนเขาเราคารพเราทําเหมือนเขาเลือกได้ เลือกทำละในโลกนี่มีสิ่งที่ให้ให้เราเลือกเยอะประสบการณ์เยอะๆมากมายก็อยู่ที่เราแท้ๆละการปฏิบัติทำหน้เป็นกรบเป็นกรรมขึ้นมาแต่ว่าวิธีเนี้ยวิธีติ่สร้างความรู้สึกตัวถ้าทำไม่ถูก เป็นทุกข์ครับปฏิปทามาก็ยากเหมือนเราไม่รู้อะไรที่มันควรจะรู้ไม่รู้ะต่พิสตาเผื่อไม่ค่อยใส่ใจมันก็ยากอยู่พอเราทำลงไปสร้างจังหวะลงไปเดินจักรกลงไปอะไรมันลุมเข้ามาไปแค่ไปแค่ความคิดบ้างรวมทุกข ทุกบ้างความงงเหงาหอนอนบ้างวันหาที่มันเกิดขึ้นคอยจะแก้หาคำโง่ทำไมทำไมไม่ได้อะไรเลยวันนี้ดีวันนี้ไม่ดีอย่างนั้นมันามันยากถ้าทําลงไปมีสติเนี่ยมันไม่มีไม่ไม่มีอะไรยากเลยรู้เท่านั้นก็พอ มัน่วงก็รู้แล้วไม่ใช่ความม่วงจะเป็นการแค่รู้แล้ววันคิดไปก็รู้แล้ววันทุกก็รู้แล้ววันโสดก็รู้แล้วมีประโยชน์ทั้งความผิดมีประโยชน์ทั้งความถูกตัวรู้ตัวเนี้เยเอามาเป็นตัวรู้ทั้งหมดเลยวันทุกก็รู้เนี่ยได้ประโยชน์มันหลงก็รู้ไม่เสียหายสตินี่ มันขนาดนั้นแหละอันส ก, ก็ลูเนี่ยสติตัวนึ่งไม่ใช่เป็นอันอื่นไปมันทุกข์ก็รู้คือสติมันหลงก็รู้คือสติมันอะไรเกิดขึ้นก็นตามคือสติคือรู้จักตัวคือรู้จึกตัวมันจึิงง่ายๆนะหลวงพ่อเคยปฏิบัติธรรมประสบการณ์กับการประเดติธรรมของตอนเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่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 มันต้องเป็นตัวลู่อันเดียวใครจะแ่ อ, อะไรก็ตามไม่ให้คนอื่นแฉเราแฉอย่างเรารู้เรารู้มันหลงก็รู้ไม่ได้ทำอะไรมันผิดก็รู้มันถูกก็รู้มันทุกก็รู้เพราะเรารู้ทำไมยังมีตัวลู่เพราะเรารู้ไม่ได้เป็นอะไรก็ง่ายเข้ามาเอวเราเดินยกรรมล้าก็รู้เนี่ย เวลาไม่ผิดเราก็รู้เวลามันเกิดคิดขึ้นมาทางใดทางไหนทางใดก็ตามเรารู้ไม่เสียหายมัไม่เหมือนเราขุดดินทำไรยทำนาอันนั้นมันก็มันทำเสร็จเป็นต้องมีการกระทำแล้วดำนานเนี่ยถ้ามัน ทำแปลงใหญ่ก็ต้องรียบซะหน่อยต้องใช้เวลามากต้องขยันแล้วก็เสร็จเป็นแปลงเป็นแปลงป ด, ดินก็ได้หลุมหนึ่งกว่วงเม็ดหนึ่งยาวเม็ดหนึ่งลึกเม็ดหนึ่งได้หลุมหนึ่งก็เสร็จเป็นได้เงินไปเท่าเท่ากันแต่สมมติว่าหลุมละเจ็ดสิบาท ขุดคนเดินขุดเพื่ออยากได้เงินคนหนึ่งขุดเฉยๆแล้วก็แล้วเหมือนกันเอาเงินก็ได้เหมือนกันไม่ต้องอยากได้มันเงินมันก็ได้เหมือนกันถ้ามันเสียตนะังแต่บางคนก็ขุดเพื่อความอยากจะเอาให้ได้จะเอาให้เจ็ดกูจะได้เงินเจ็ดสบาทกูจะได้เงินเจ็ดสิบาททั้งขุดทั้งคิดอยากหิวอยากได้แล้วก็อาจจะ กินแรกทั้งสองทางทั้งกายทั้งใจด้วยถ้าคนขุดด้วยลง่งแปลงใบด่างไปเหนื่อยกขไม่เป็นไรหรอนไม่เป็นไรหนักไปเป็นไรทำสบายแล้วก็มันก็ง่ายกว่ากันแม่ตากแดดอากาศอุณหภูมิเท่ากันแต่การสิ้นพลังงานอาจจะต่างกันก็ชิว่ายากว่าจะได้เงินเจ็ดสิบบาทเราไม่ใช่ไปว่านนั้นมาเป็นผล เ ร, เราทาไปเราทาไปอันบุญอันกุศลมักผลในผ่านไม่ใช่เงินเจ็ดสิบาทมันทำไปมันรู้ไปนะมันได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ดิดขุดมันเสร็จแล้วจึงจะได้เงินพราะมันรู้ก็ได้แล้วยกมือขึ้นก็ได้แล้วถ้ามันหลงก็รู้ก็ได้แล้วไม่มีเสียหายตรงไหนเลยการปฏิบัติธรรมมันจึงพอใจในการบอกการสอน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 หลวงองเจ้าก็เหมือนกับอยู่กับเราก็เหมือนกันอยู่กับพระพุทธเจ้ากันเดียวกันกับเราทุกวันนี้แม้ผ่านมาแล้วสองสามพันปีเขาเดียวกันเราจะไปก ล, ลัวอะไรเราจึงควรมีสถานที่อย่างนี้บ้างมีพระสงฆ์มีผู้ดูแลมีผู้จักชวนมีผู้พูดก็นั่งูดอยู่นี่มีเสียงภาษาสื่อภาษาก็รู้กันเจ้าอะไรอีกพวกเรา นี่คือประเทศไทยไม่ใช่พาพวกท่านไปไหว้น้ำเจ้พาพญาอ่าเจ้เาแม่ลำกลองกันนะชี้น้อยไปไม่ได้หรอกก็เที่เวียนเนี่ยตัง้งแสนบาทแต่เราไม่มีเงินเงื่อนเอายมอนุเคราะห์เราน้ํามันประเทศเขาหนึ่งหกสิบาทต่อลิตรแต่ของเราก็สามสิบบาทสามสิบเอดบาทแรงมาก ไปไม่ได้เมืองที่หลวงพ่อไปเป็นืางปัญหาฉายแดดระหว่างปากีสถานกับอินเดียมีะตทหารจับปืนจ้องกันอยู่ทุกตลางว่าก็ว่าได้เวลาเราจะขึ้นบินขึ้นอยู่สนามบินติดอยู่ในสนามบินเป็นชั่วโมงเครื่องบินทหารขึ้ น, นออบัน วันแมลงเมาเราก็ไม่มีโอกาสบินติดอยู่ตรงนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะไม่เป็นธรรมะต้องฆ่ากันต้องเอาชนะกันของกูของมึงเช่นวัดเนี่ยนะเมืองแคสเนี ย, เ, นยเป็นเมืองที่มีทรัพยากรมากมีป่าไมา้เป็นเมืองท่องเที่ยวสวยงามที่สุด เป็นเมืองแห่กววามามปาจีธานก็อยากได้อินเดียก็อยากได้ก็เลยแย่งกันเจยจากันแล้วก็มาสร้างตาอาวุธแข่งขันกันระหว่างปาจีธานกับอินเดียมีปรมาโนนิวเคียรเพื่อจะผัาผพานกันเอาชนะกันด้วยกำลังมีปัญญาหา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 ชาวบ้านที่นั่นเป็นโรคประสาทเป็นโรคเครียดลกอายุไม่ยืนเขาเครียดเพราะว่าลูกชายเขาเนี่ยเขาไปเป็นทหารตายกันหมดเป็นเมืองแม่หม้เป็นอน้วนลุคนก็เครียดอายุสัน้นาะ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 พิษบาทีมีลถเวลาเดี๋ยวนี้ก็มีถึงกับพิษในด้ำในดินในอากาศอาหารการกินก็มีพิษมีภายให้เหมือนกับสัตว์ดันดด่นเราเห็นเหยี่ยวบินเหนี่ยวท้องฟ้ามืดเลยเหมือนลมหัวกุดพัดไปไหม้ขึ้นท้องผ้าบิน โอ้ยเจ้าเขาสนุกสารกว่าเรานะปลาในน้ำทะเลสอบโฉบอไปกินอะไรคนเรโอ้ยรับจ้างหาอยู่หาจินแล้วจะอยู่แต่กินก็ลำบากแล้วยังไป ร, ระวังโทษภัยอะไรต่างๆเข่นข่ากันนั้นคนภาคใต้เรา ก็เห็นใครจากไหนขี่รถแจ้งหน้าแจ้งหลังก็ระวังแล้วฆ่ากันไม่ควรเป็นอย่างนั้นมาสงสารกันนะเอาเมตตาสงสารกันมันก็มายากหนุ่มเปลี่ยนขวบโกล่จะไป เ, ปเมตตาต่อกันมามีสติเห็น อ, อกเขา อ, อ, อกเราเหมือนกันน่าสงสารจริงคนเรานะขอให้ไป ขอให้ที่นี้เป็นที่ปลดปล่อยเรื่องนี้ให้มากที่สุดละ่ะเรามาที่นี้ให้เรามาปลดปล่อยเหมือนกับอิสิปัตนะเบลุขาถาเยวันประเทศอินเดียเป็นที่ปลดปล่อยสัตว์ทั้งหลายคนก็ไปอยู่ที่นั่นอยา่าเบียดเบียนกันถ้าไปอยู่ที่นั่นแล้วสัตว์ก็อย่าเบียดเบียนเขามีเก้งมีควงมีนกมีสัตว์ต่างๆยูในอิสิปตนะ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 ไม่มีใครแปลกหน้ามิตรญาติแต่เพิ่งเห็นกันเป็นญาติกันมาก่อนแล้วมันจะเป็นไปได้ไหนหมายเมืองไทยเราเน่ยถ้ามาทําอย่างนี้นะตรงเพ ว, ว่าเป็นไปได้ไม่ยากไม่เหลือวุฒิใจไม่ต้องไปสร้างอะไรสร้างตัวเราเนี่ยสร้างความเห็นสร้างความเห็น เขาเห็นของเราเนี่ยเขบอกกันด้วยแล้วเราไม่บีดเบียนเราเราก็ไปสอนเขาบอกเขาอยากให้เขาบียดเบียนเขาแล้วเราไม่บีดเบียนคนอื่นเขาไปบอกเขาอยากให้เขาเบียดเบียนคนอื่น mm hmm. ต่อๆกันไปไม่มากคนไทยหกสิบกว่าล้านคนคนอินเดียเนี่ยพันกว่าล้านคนเร <c oughs> ื่องมันก็ไม่ถึงปานนั้น <c oughs> เอ้าถ้ามีสติปั๊บเดียวเลยคนในโลกเนี่ย ถ้ารู้จักตัวถ้าเปลี่ยนความโกรธเป็นความเมตตากรุณาก็เปลี่ยนได้ทันทีเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ทันทีใครที่จะเป็นผู้ที่บอกกันจย่างนี้มีไหมในโลกน่ะแม้ไปอยู่ในหมู่ลูกพ่อนี่เป็นนักบวกไปอยู่ในกลุ่มพระเขาอ้างกันแล้วครูชันตีพวกครูชันโทพวก ค, ครูฉันเด็ก เจ้าคนชั้นสามัญเจ้าคุณชั้นวิสามัญชั้นลาดเพราะอะไรเพราะต้องความดีอ ย, งงอย่างนั้นอย่างในความดีที่ไหนสร้างวัดเจ้าหมดกันในประมาณมั่ล้านหนึ่งก็ได้แล้วตําแหน่งสองปีสามปีหมดกันอด็กล้านหนึ่งได้ตําแหน่งแล้วโอ้นั่นหรือมาเป็นคุณภาพเร า, เราไม่เป็นพระภูร์เจ้ลูกอยู่นะแต่น่าหลวงพ่อเป็นพระภูรอ เออไม่ต้องเนี่ยหรอบางทีเขามาบอกหว่อไม่เห็นวัดที่ลเราอยู่นะ่ะเอาพระครูชั้นพิเศษเะโอ้ยผมออดอ๋ผมเจ็ผมเถอแล้วบ่โอวไปได้พระรุ่นน้องเขาไปบ่ได้หลวงพ่อโบเกินไปทั้งน่ะนันไปบ่ได้ยักขวงกันเขาโอขวงกันใครนาดนีผมเล่ากัน ไม่กลัวกันอย่าเอาอันนัสิเอาเนี่ยเอ า, าคุณธรรมเนี่ยได้ไหมพวกเราทังญาติทั้งโยมอุาบาจุปปจิกาช่วยกันอะนี่ม า, าวันใดขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นหน่ยไวีสักหน่อยอย่ามันช้าเกินไปจนถึงใกลจะตายเช่นขึ้นมาให้คนหมอประจากษ์มาทุมวันหลวงพ่อไปพูดที่หลงพ่อยวนไปช่วยคนใกลจะตายวินาทีทองท่อนใจจะขาด ก็ดีนะดีกว่ามนทิปเผลอตื่นตึงนะถ้าไปค้องกันเนี่ขึ้นมามณทิปเผลอตื่นตึงไปเจ็บจบกันก็ตั้งมณฑิที่ขึ้นมาแล้วไปต้องไปทําให้ไม่ช่วยกันน่กัจะตายเราพ่อบอกคุณหมอเลยถ้าใครเจ็บปว่วยมากบอกหลวงพ่อด้วยกินดีมากๆ่นะไปช่วยกันนะเอาตอนน้นก็ยังยังชากันเอาเดี๋ยวนี้ดีไหม <laughs> เอา ต, าอตา่อก่อนต่อเอาดีๆมันดีกว่าเนาะ อชีน่าก็ยังหนุ่มยังสาวอยู่วันก็ยังหนุ่มยังสาวอยู่รอให้เท่าวยกแก่เลยพายเถิดพ่อจะร่างรอพายต่วันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าใช้ไม่ได้เดี๋ยวนี้อ่ะเยอะมั้งเด้อเนี่ยในน้อยยงางแสยดีมากนะอ่าดีมากอยู่ที่ใครมาวัดใครมาที่หลวงพ่อนูโอ้ยดีใจมาก ถ้าไม่มีใครมาก็เศร้าๆใจจักหน่อยโอ้ยเราไม่มีประโยชน์เลยน้องเกิดมานไะงเป็นหนี้เป็นสินประเทศชาติมากมายถ้าไม่ได้บอกได้สอนให้คนเป็นคนดีไม่ใช่ใช่นี้ได้ยังไงเราเป็นหนี้ประเทศชาติมากมายเก็บใข้เรียกผูย้ยหญ่เงินเสือดทองเอาเงินภาษีเากรของคนในประเทศไปซื้อยาราคาแพง ขอใช่นี่ด้วยสอนธรรมะอนียวันนี้ก็มีเขาโทรมาว่าพระตายหลวงพ่อเป็นคณะผู้ปกครองเขาก็ให้ไปดูหลวงพ่อไปไม่ได้รอกวันเนี่ยเขาอยู่วัด น, นี่ก่อนหลวงพ่อจะบอกไก็ตรวจสอบซะเอาเจ้าวาดที่อยู่ตรงนั้นเราให้เลขาองค์หนึ่ง จะว่าตรงหนึ่งเอาบาจกบวจการญาติย้อนสักสี่ห้าคนแล้วตรวจทรัพย์สินหนังสือสุธิสังกัดที่ไดว่าใดบวชเมื่อไหร่มีเงินมีทองเท่าไหร่มีจีงโขเท่าไหร่บันทึกไว้ลงลายมือลายเส้นไว้แล้วก็ให้เก็บศพไว้เขาปีหน้าเหลวงพ่อเลยบอกว่าเพราะว่าน้ามะเขือเนี่ยเป็นปฏิบัติธรรมกันทุกปีเอาเผาในวันปฏิบัติธรรมวันสุดท้ายเอาเข้า เบ้าไว้วิธีทําเบ้าก็อย่าไปใส่เหีบที่ดีๆนะให้มันให้มันย่อยรองดินได้มันจึงจะแห้งดีถ้าไปาเท ห, หอไว้มันไม่ย่อยเราวก็ไม่มีโอกาสไปไม่ได้ไปแล้วกนนะนสั่งไปก็อยากไปช่วยพระตายหน้าสงสารน่าสงสารไม่มีลูกไม่หลานอขอให้พระเป็นทุละกนะโยมไม่ต้องเกี่ยว ศพหลวงพ่อทีนี้เราจะดูแลจะเป็นผู้ไปรับผิดชอบเล้าว่าขอให้เจ็บศพไว้ไม่ต้องทำให้เศร้าหมองคนไปเห็นแล้วโอ้ยน่าสงสารน้อพระนะใครเขาเก็เลยไม่อยากบทเป็นพระเหมือนไม่เหมือนญาติโยมเนาะญาติโยมนะี่โอ้ยตบบุญตอทอนอกันตี อะไรมีกองอบนตีมีรถแถ่กันด้วย้็พระนี่ก็โอ้ยน่าสงสารเราก็ยังอยากจะเอาศพนี่ว่าจะไปทำเองดูก็เลยไม่ได้ไปวันพวกนี้อาจจะไปหน่นอนจะบอกวิธีทำศพเก็บศพให้มันแห้งมียาฉูนมีใบมะเขียบ ใบน้อยหนามีไห ม, ไ ม, มหหหห ไ, หไม่มีแล้วนอนเนียใบน้อยหนาไม่มีแล้วมันหนาแรงนะใบน้อยหนาไปหอ่อไปปกไปรองศพแห้งเลยเพื่อนแห้งคอรอเล ย, ยถ้าทำไม่เป็นก็ไ่แห้งเพราะนั้นนี่บางทีก็อยากช่วยคนตายคนเจ็บคนยังไม่เจ็บก็ อ, อยากช่วย เพราะมันเป็นเรื่องน่าช่วยกันธรร ม, มนะนะต้องเสียเงินเสียทองอะไรการช่วยกันเรื่องนี้แต่ยินไหมทำได้ไหมบอกอยู่นี่รู้สึกตัวซะมันหลงมีไหมมีมัมนหลงก็รู้สึกตัวมันทุกข์มีไหมมีแล้วมันทุกข์ก็รู้สึกตัวมันยากไหมต้องไปขอหาจากใครมาช่วยไหมไม่ต้องขอเอาอยู่กับเราและ ทำได้ไหมเนี่ยมันไม่ยากปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงสมควรกับผู้กระทำอย่าไปอ้อนวอนขอร้องไปเกณฑ์ไปประเมินควมรู้สึกตัวมม่ต้องประเมินไม่ต้องรอรูอ้ขึ้นมาตันเตอร์ถ้าเมอกอะไรก็บอกพวกเราอยู่ที่นี่มีพระ หลายลูกเราก็อยู่เสมอกันเป็นสามัญลักษณะเท่าเทากันนะไม่ใช่เรามีฐานะต่างกันหายใจเข้าหายใจออกเท่าเท่ากันต้องกินต้องนอนต้องขับต้องถ่ายเท่าเท่ากันร้อนหานาวเท่าเท่ากันยาเบียดเบียนกัน อย่าเบียดเบียนตนเองให้สงสารตัวเองไว้ให้มากๆคนเราถ้าสงสารตัวเองไม่เป็นก็สงสารอื่นได้ยากสงสารตัวเราอย่างไรสงสารรูปไปปฏิบัติธรรมมาสงสารรูปพอเห็นรูปเห็นนามเราโอ้ยสงสารรูปไม่มีใครช่วยรูปสักทีเลยสามสิบปีน้ำตาร่วงเลย พอมาลูล้เลยโอ้ยไม่มีใครช่วยเจ้าดอะลุ้นเลยใจก็ไม่มีใครช่วยเจ้าเนอะ่อใอ้เห็นเหรอจอ น, จ, อนจัดกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดอะไรก็มาเป็นสุขอะไรมาเป็นทุกข์ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยบัดนี้ ไม่ตั้งแต่นี้จะไปอันรูปก็ดีใจก็ดีจะไม่เอาไปทำชั่วไม่เป็นทุกข์แล้วสงสารตัวเราเมื่อสองสารตัวเราก็สงสารคนอื่นแล้วบนะสงสารคนอื่นมากที่สุดเลยอยากบอกอยากสอนอดไม่ได้ไป ล, ละยะรัฐพิกเวจาริกังพระอุชนะหิตายะ โอชนะสุขายะโลการกามบายะไปไปพระพุทธเจ้าบอกพระสาวบกสี่ห้ารูปเท่านั้นเองไปเถอะไปเถอะไปผู้ประโยชน์ผู้ผมสุขแก่มหาชนแจคคนหมู่มากเพื่อลกูกพวกเราเป็นพุทนแล้วจะบ่วงหางมาจงไปบอกไปสอนเขาให้รีบจังหน่อยก็จจงทำพระพุทธรูปบางงานลีดาเดินยนจีวันปิวเห็นไหมล้วน อ่าพีวันเปวอยู่ว่าเราไม่มีสักตัวไม่ใช่พาสอนนั่ง่ะต้องไปนะอํนานั่งก็นั่งไม่ใช่ขี้เกียจสิขั้นนะนั่งมีความเอบอิ่มใจรู้จักตัวนะไม่ใช่นั่งขี้เกียจนอนขี้เกียจนะตายก็ตายหัดตายบ้าง น, นี่เอาทุกอระบทเลยเราเนี่ยทุกอระบทเป็นปัญญาทั้งนั้นเลยได้ยินไหมเม่ชคีฮนะ รับชลยใช่รับลอ่าวละูดใหคนนั้นรับตาก็ดด้อวันก็มีด้วยประการจะเนีย